นโมัตสัพพะกวาตุวาระตุสัมมาสัมปธัญญะอาธามหาสันตุในกาลนันท์ใจพามหาสตาราศีปสันร้อนไรปันไปมา หันยาราจามาทีผ่านแถวสยบตาแล้วตั้งยืนหัวใจฟื้นเดือดร้อนตุง้งโศกขอนกายากน้นขุนน้ามีมากอดลำบากเลือใจมีอะไรเลิดแล้วพ่อว่าหันน้องแกวต่อตอนตาย เตาวนอนงายตีไกแต่บาทไทยทอรานีผ้าบุญมีตันมีเศษเบาตั้งเสิเนีหาเอามือจัดน้ำตาจ้าใจไปอยู่ไกลแรงดูอามันที่กูตายแต่หรือหวานแล้ว เจ้าก็ยอโ ห, ห น, หนาทไทยขึ้นบาดไว้เนื้อตาต้าวยินรักข้งคอยพายอซอยบุญมีสิ่งเก่ามั่นที่เฮยน้องนาถานาที่นี้เบ่ากูนางแกวราชมาสาย เจ้าก็นำมาผ้าผ้ายิ่งเกา ว, ว่าลูกมาเื่นเจ้าแม่เนื้ออ่อนกิงกูของจุมกูเบามีภผยเพีบใดลุกมาต่อแกวหนาไทยแม่บูตอง ลูก ม, มาต้อนแม่บูกังน้องเฮ้ยซอยกี่ลูก ม, มาปากตานมีสิ่งหวานลูก ม, มาคานต่อปีอันบีให้ไปแม่มึงนางปีก็มาค้างอ่อนเอให้พาแทไปมา จะนำตาตสาสตูดฝุนลุงแล้วแหลนไปหาภากาสัณฑาแก่นไข้กึ้นได้แล้วใจมาว่ามันที่กูตายแต่รือรู้ว่าพอแผนาลุงคิงนี่ตา กันว่าเจ้าข้านิ่งลู้เร้ยวก็เรียวกว่าแกวแม่นางเมืองว่าที่ซ้อมถึงเฮยเจ้าปีเบาใจตีแม่เจ้ามาตาย กลางดงได้ป่าไม้กวนน้ำนาไทยจุงขึ้นมากวนศีสุภาจุงขึ้นมาต่อเจ้ากวนเจ้าแม่ยาฟังป้าวเวมือวอนกวนเจ้าอย่าไปขึ้นอยู่ดังดอนป่ากว่างกวนเจ้าอยากไปอยู่จิมแรจงังแลสเสีย กวนเจ้าอย่าไปอยู่จิมบ ก, ก, ก้กาตึงทุกิตกากวนนา่งอย่าไปลาเล่นเดินดาวกวนนังอย่าไปอยู่จิมคุ่งข้าวทุน้อยน่อยกวนนังอย่าไปตินหอยอยังป่าไม้ไก่ตา ตัวตตัวยาไปอยู่ยังโดนนาปากกว้างกว่านางย่าไปอยู่เถินจังสิยุมคอข้างดาวดอยกว่านางยาไปติ้นไม่เก้ฝอยร่องอยู่ลอยลอยสิการเถินทำอากาตุ อย่าไปอยู่ยังป่าไม้โดยเจอพันเสือยันกวานางอย่าไปเชนลาแลนจิ้มแม่ยักษ์ที่แขนอย่าไปอยู่กับด้วยปืนเ a ือยันที่เสือยกวานางอย่าไปอยู่จิ้มป่าปุยแหวหาุ้ยตีวังลี กว น, นางอย่าไปสนุกสนิทในป่าป้าในน้ำเหล่าไรคือป่าไม้หิมะป่าป่าทีา่นั้นเป็นสันทานป่านี้ลาล อ, อยกว น, นางอย่าไปอยู่ด้วยเปินออีคอยแล้ว ก, กางนางนี้ โ อ, โอ้ยโอ้ยน้อลุงมาต่อควันสีสบ๊อบเฮ้ยลุงมาต่อเจ้าค ว, วันหูวนางอย่าไปสูกเสาแหววีวัน อย่าไปเรร่อนดัมร้องในแห่งห้องหิมมาวันจุงรีมาปันอย่าอยู่กันหูนางอย่าไปแป่นแม่พึ่งแลแมงปูบินบอล กั้นหูนั่งอย่าไปวิวร้องไห้ในป่าไม้ผู้ดอยกันหูเมษีดําลอยอย่าไปสุ่มส่วกั้นนอนน้อยไม่อย่าไปซ่องก้นนังอย่าไปอยู่ยังฟงสั่งกิ น, นหน่อไม้กันนังอย่าไปกังกายเหว้ กันหอแป้งอย่าไปตื่นแม่นว่าไปตื่นก็ฮือปั่นมาแม่นว่าไปอยู่รูผ้าก็ฮือปั่นเต่าเข้าสู่าบเก่าตอนนั้น อย่าฟังวางใจจากความนาผากเมื่อวลนทันทีนี่แป่นดองดอนป่าไม่ดังหรือนางมาลาปีไว้อยู่ตอนเดียวบันนี้นางปล่อยมาตายในดองเขียวเถินทองปีเบามีเปิืนฟองปอดสอง กปีจังข้องดใดไผจังมาจอยผ้าไหมป็นูไผจังมาจยจมเอาหูนากำคาขวาใดจังมาล้างหนาออง้าแม่อุดมไผจังมาวีพมแปงเกศเก่าขวานใดจังมาอาบน้ำเจ้าแ ม, ม่จอดมือ ขวันได จ, จังมาผ่าดาผอมเรื่องยาใหญ่ไผจังมาผ่านต่างใสสองหูไผจังมาแปงผู้ร้องเสือไว้ไผจังมาให้ไปแม่หึงนานอีตาโอุยนอพี่วนางมือตายในหน้าก่อนลุมงมึงหมิง พี่น้องขินกันมาตวหนากาาเมืองสองอันเลอลำก็เชิงว่าจังมองมอนันซ้ำหมิงวานือว่ามืองจิตุตารานกรและเมืองมาตาราตอันแป้งเจอจัดวังสา ันอยู่เฝ้าส่องตาการฝังไป้ารจังมาจังหมูค่ายิ่งใจขวัญตั้งลายเหลือเหล็ทุ่งดาวแต่นานาสังลุงตามีมากฉันเจอหากมามนุน เขาก็จังโจ่นกันมาแปลงกดแกว้วสินฟอกแล้วํำแดงผ้าดาบของแป้งองอาจครูปีตั้งเอือเปิ่นแ่งห àng, างชาตรป้กัง สั่งสองมือจังเป็นมาหาปางอันใหญ่แต่มรุมเนื้อน้องไสหัสซดีลิงของข้างปิ้งภาศาสตนำแต็มวาดสม้มสีเือวารุปราชสาีและจามารีมอมหม่เห็นน้องตายบินเคอ บังปอนเจอหลายหลากตึงรุมนอกจากาะตาแลห้องช้าเธอรูปคุณคาราเลียนปายนอกข้นหมายให้ซาดีหนึ่งกาลาปิ้นจริงเขียเต่าสองปีเป้าเขียวดีกินนารีนารอนอยางป้อนมา สินอ่อนหากันมีหลายพันหลายหลากตั้งหนักน้ำนากีตั้งห้าทีตั้งมาหลายหลากนาื้อสิมีตั้งรูปผงยิ่งงามสาเลมใจสุกแกมลุมใจลูบเมฆาหลายเร่ เธอวันวาดดูเป้าดอกบูขาวสะอาดภาษาแก้วแววยุ่งกองลูสูงไรจันไม่แก่นขันจันเด้งไม่สมุรดาเวียงมันสาสวัดผาษาแก้วลิงลาย มีตึงใจพระอาทน้ำเต็มบาทดูเป้าดอกบูขาวยอหวางแมงผูสว่างบินบรนเควันสันแสนสิ่งขายแก้วหญิงตุ้งไปใบไร้ายเจอจอดค่าบอบวามพีจังใสบู้า ถ้าบอบง่ายพี่จังใสบูเอนข้านาเต่นพี่จังใสไหลายวงตีริมปาทูขังพี่จังเสียงรูปนอกขังแล่ตีว่าดายืนอยู่ไกลถือดอกไม่อยู่จรดเดน บางควงันผีจังเอือถืจางมอนไกว้ควัดเกวีกยงบางควงันผีจังเอือดถืชาติกลางเสงที่ดานกางบางควงันผีจังเอือถืหางยุงงามยาหยาดดวิลาดดวยจานม้น ไส่จรรอนย่อนยิน่งไต้ซาคิงดูคานเธอจังสั่งสาการนา ง, งานเก่าปีตุ้งดาวมีเ จ, จอจอร์ ยังฝุงควันม้วหมูเบาเท้ากูยิงใจสีตั้งเอือควันตั้งลายม้วนเล่นฟ้อนดีดแต่น้อข้ายงควันถุงยินดีมากสีปากกองเทรีปันดอดีเป่าทองสิงสิงสงองนอนันตี บางคนปีจังเอือตอบมือตีต่างเสียงผีจังเอือเพิ่นแต่งเล่นหลายชากาโดยอันสังสาตทานดังนี้แล้วปีจังเสียงไฟมาแก้วโหลดหญิงบนัน ขอนวันต้อปีจังเสียงรูปคอนถือไบยอนขีจ้างเลียนขึ้นมากกองปอนปายหันเอือปีจังเอือปิ่นเตียงรูปพญาท่อนแล่นางป้าขึ้นขี่มาาซโดน ผู้กงอนน้องก็อานาหนังว่าจังขี่ขึ้นฟ้าก็มเบาฮอนเลียนขึ้นซาสันซาสวาดัดขึ้นจับของภาะศาสาว้ไวักันไฟจับจอดแล้วไฟมาแก้วหลดุดหลงมายามนั้นนางที่วา่าได ป้อยแหลนขึ้นเจอแต่ปื้นขันไงไปสอ่องใสเป็นโดอกไปวันออกปีจังแสียงไฟเขาจองแล่ไฟทีดรูปมอ้อมปีตูเติบจังเอือไตเจอขึ้นจาบของ ไปลูพังแลน่นยุงสู้มีปีกขึ้นป้อนปีกันลลังไฟกลางหาววันพัดปั่นจ่อหลังขึ้นเรือรยรกันไปท้ายจะจยดไฟสรวนขึ้นกงางหาว ปานดังดาวอย่างฟ้ายามนั้นสีจางงายงี่ง่าแเล่งดูขึ้นผ้าปูต้ลรองมาผาผ่าปานกาบื้อบินจำผิวไฟงามยอมดอกปานเข้าดอกกำไผ่ไฟสาไห้ดอกน้อยขียดอกซอยสันสอน สาผวกลันรูปแตกไฟมาแจวแยกเป็นเิลววันไปเขียวที่จอฟ้ามานกับอาหลังจาบินบนลอลลมพี่สิวันพาดบันเกาแป่นดังจังยอกเอาพาสาเจ้าแม่เมื่อบนัน ดังว่านางมือตายในเมืองควันใหญ่กว้างที่จังอือเปื่อนเสียงสรางสองสาการเป็นผ้าม่านดังนี้แล้วจริงจังได้ชื่อว่าสองสาการเกี่ยวแม่นางมึงแหลนาบันนี้นางก้อยมา ว่าแมงจังมาตอมใตใสหนึ่งนั้นกูปีกมอมบ่หันควันได้จับมาไกลเด่นจิงว่าจังลาแม่ไวกล้าดังแตบดินไยกูปีจังหลอกได้ดูเป่าเด่นจิงว่าจังเอาหูเขาเช็ด กาตัมสามาธาดารืใดก็ตาจังร้องให้อยู่ริรนันอันนี้ก็หากเป็นกรรมฉันนั่งเกี้ยวจิงกาเก่้วมาราณาจาเลพ่พระดูราด่างใสใจเอ้ยแหวนฟ้าดารืนาง ลาปีไว้แป้นกำพ้าอยู่วนคางอาปียาเบาใจปีจังนางจำจากเบาร่งหากคำไปกลางดงไผ่ป่าไม้หื้อแก้วแก่นไทปีมาตาย กูปีกอมบออาจังตรงตอนใดอยู่ใดพ่อว่าแสนสศกไม่เหลือไปกูปีกึนถึงนางใสใสสิ้นจากอันเป็นกำพาพ า, าตายไปแลหนา ดังว่าพยาสันใจตอนปอกึนใจต่อถือเรามานน้นเอาเมื่อสู่ในแก้วปูของเมืองหน้าก่อนหลเรื่องใหญ่กว้างคำตานตางคุรียานั้นกูเบามีหัน ว่าตุ้งสองสารมีมากคือว่าตุ้งอันใดปั้นภาต้นนางนี้หนอปฝ่าหูจานาเมื่อนั่นขวัญตั้งหลายมุนมากพร้อมตุ้งปากจังทางวามันที่งามจุนจอยตั้งลูกน้อยสองสีเบาหันมี อยู่ไกลปั้นทั้งขาที่ไวไปไหนยามนั้นกูปีจังคำมมนางใส่ใจบ่ไดเต้าจะาคำนาให้ก่าว่านางตายนางตายจ่าเล อยนอแก้วแก่มไทยแม่สุภาจงขึ้นมาต่อเจ้าขึ้นมานั่งอยู่เฝ้าสาลัขึ้นมาจ่าต่อปีขึ้นมาหนุ่งพาทีหลายวัง พื้นสอดห้องรูมเงือกตั้งเสื้อพึกหลายเคขึ้นมาร อ, อาจ้าต่อปีปากรอปีสิงหวนันนางสมกวันเฮยน่อนเน่านางยาลาปีไว้สศกเศร้าใจมอง นางคำผ่องเฮยแบนฟ้าลูกมาสวยนาแม่บันเดียวลุกมาต่อนางความวเขียวน้องรังตีลุงชาตีมาปัน่นลุกมาต่อนางจอมกวันเฮยลูกมาต้อเจ้าลุงมาหาลูกเจ้าจารีแล่นา ลุงมาต่อสีสภาเฮยยอดแย้มสองฝ่ายแก้มดังคำแดงลุงมาแฝงตานปีอันบิให้ไปแม่มืนนานลุงมาต่อสีขิงบางเฮยหน่อลาลุงมาถายเสภาแม่พื้นดี ลงก ม, มาวิภเมมเก็ตเกา่าลูก ม, มาต่อเจา้าจปีเบาเบิดจางนางปีเบาจางเบิดจันแม่คำแสนล้านละแกวแม่แสนตางไปแอวเสวงหาคุ้ง ก, กาาลางกอเบาใดไตหลุมฟ้าสรีบจุมพู ไผ่จาเสมอดังแก้วบุญจูนาดน้องทัมตัวห้องลูกาหาไผจังมาทีติมใดใต้หลุมผ้าเบาเหมือนนังจ้าเสมอดังสีขิงบางยอดแยมสองแก้มดังคำแดง ตูขิงแวนลึงลแหลบเอวน้อยแจกสำกันเหมือนดังสาวสวรรค์จันฟ้านางล่อยมาความนาแม่เป็นทีลุงมาต้อใสาสีเ่เฮยนหน่อลุงมาปากตานรอจันจ้าลุงมาต้อใสายสี่นี่หาเฮยนหน่อเน่า ปีโศกเศร้าก็เบายินลืมลุกมาต่อสีพึ้งใจเฮ้ยตีหอยลุกมาจ้าอิ่งอ้อยสิงวานลุกมาขาันสิงหมวนลุกมาปากเชอรนเอาใจ กั้นหนูนางอย่าไปไกลต่างห้องกั้นหนูนางอย่าไปเขาต้องแม่ขันใดลุกมาต่อเกลสายใจเฮยจุงขึ้นมาหาคาราขาบเก่าขึ้นมาเหล่าสารปัน้น ปีก็ของหันแต่เจ้ากี่กันหูเจ้าอย่าไปลี่อยู่ตันใดแม่นว่าล่องหันไปไหนเถินทำสียาน้ำแม่วังเขียว คือรีมริวมาอย่าอยู่แม่นว่าควันหูนางไปแป่นแม่พึ่งแลแมงปูตอมร้อนหมู่กันท่าแม่นว่าควันหูนางไปแป่นตีว่าดาอยู่ฟ้าก็ไหวหน้าขึ้นมา แ่น ว, วันหูนางไปตอกองกาต่ำไตยอยู่ด้วยคุดนักไขหมูนากาหือปั้นมาขึ้นเหล่าสุขาบเก่าตอนนั่งอย่าฟังวางที่ใจตายจากคาอย่าฟังความนาแม่ไปปอย กวนหูนางยาไปอยู่ยังดยอยเทินคำกวนหูนางยาไปอยู่ยังยาหนำโดยเปื่อนผู้ปา่ากวนหนางยาไปอยู่แก่กรหินทางเงาเงางกวนหูนางยาไปอยู่โดยหมูจ้างแม่ปังปาย เจ้าจุงมาสุขสาบายหายสุขเศร้ากั้นหูเจ้าเมียอยากไปาปุวิตานาเส้นสุขาอยาต้องจุงขึ้นมาสู่ห้องสันดานอย่าริมเอานี่ปานนอนจีเจ้าจีหอยใส ผีน้องไหวเฮือเหลือล้ำแม่นว่าควันต้องน้ำพี่ก็จกร้องงมแม่นว่าควันหูนางทอเตอร์ซ้ำผีก็จกร้องปัน แม่นว่ากวันหูนางเข้าสู่แผ่นดินหนาเจ้าจันที่ก็จังเอาสิ่งไปคู่ตี่นั้นเอามามาต่อขวัญ น, นางหฮือเจ้าปีวานอยู่ใจใจเจ้าก็ร้องให้เรีกวันนางก็มีเหมือนนั่นเล อุยนาตุ้งขังกูนี่นอตุ้งเบาใจน้อยกากา็อยู่ตอนเดียวนี่นอหวานหันเละแม่นว่ามหาคาสตานผ่านแทวตอนแก้วเกิดใจขี้ จึงซ้ำแสงสติดีมันนั่งอยู่หันแล่งดูว่ามันที่กูตันอีเสษกัมนาเจ ต, ตายไปเบามีใจอยู่หว่วงก็จังปัดนถูกกองหันทา เจ้าก็อยอมมือคว้ามาปาดเหนือนางเต้าราตรียามนั่นใจนางมี้ยังอุ่นมาหมุนต้องมือตอนเจ้าก็นำตอนกันตีมาผ้าพันลูกนานัาน่งอยู่ท่าล้อมดูอันเล ในเมื่อมหาสตาราศีอานนำตอนกันติมาฮัสโลใจนั่งหมอขึ้นมาโดยวยเจ้าศิลาเจ้ามากังเัินทองหากภาวานา ตอนเจ้ามาอยู่ป่านานว่าใดเชินเดินนี้เสริญมาบวชสร่างผ้าหมดแต่ทชีก็อบ่ถูก้องตอนนา่งมั่นทีสักเดียย้อนอันเจอในบุญนั่นแหล มัติปิโคทกังกาลังวิตินาเมตตาตาระกาคุหิงกาตาส่วนวานาราจามัติสีจินชอยยังอยู่น้อยหนึ่งเล้วจึงขึ้นมาขาปาตาพาบาเจ้าถามหาลุงนอหนอสองสี ว่าคาเดมหาราชาเจ้าเต้าไปสีลุงเต่าราไหนสองสยใจพี่น้องแก่รำต้องเององบาหันหน้าลีจามห า, าจารย์สีส่วนมาคาสะต้นบุญมากจริงปากตานจิจนจา ยังวัจนากาธาจุนจอยกัมลืยนางหนุ่มน้อยมาตรีอันวาสองสีงามลูกแก้วพี่กได้ตาเลี้ยวแต่วันวาอันวากุมมาราตั้งกูพามเท้าปูนำไปเลี้วเลย สามังปังปากาสินทูสะตาอ า, าสตาตาปัญญอยาพุระเจ้าจังสามแดงอาทาปาลีปางเมื่นางมันชีสีหนุ่มเน่าอันจาเดินหาลุงเต่าสองสี แกกีรีป่าไม้ตุ้งเหล่าไรดองไทยคือจตงใสสูเจ็ตแกตีเวและูุทุจรภตพาตาสาปนตนอยู่เก่าพาพระเจ้าเก่ากาทาวา พระาป่าังราชาบูทิงูตาเกีนาพิสินจิตาชาธนังวีติตรนาชานังเอตตาปวีดังนี้พิงคาเวดูราพิงคู่ตังไลจงจังฟังนี้ยันบูปาจาแต่ห้องมาตราทอันดี ส่วนว่านางมันจีสีสะอาดอันเป็นชื่อสมันตาราชือชายมานางก็ไปพิจารณาส่อใสเข้าป่าไม่เดินหา ยังสองบูตาหลายแห่งนางเต้าเตียงขึ้นมาสู่ศาลาแก้วกู่ในที่อยู่เจ้าเวสันดนนางก็สายามมือมอนใจขาดไก่ผ้าบาตา้าบุญมี ขาราศีฝืนฟังเอาน้ำทังไายตอกมือลูกออกหือจึนนางเจ้าตื่นขึ้นมาสิ่งทําหาลูกเต่าสึ่งพาบาเจ้าผู้ทรนว่าข้าได้ผ้าเวสันดนอนอฮยเจ้าคอยเต้าไปสีลูกน้อยราไหน สองสายใจสีน้องเบาหันมาเป็นิ่นฟ้องอยู่สารานีจามหาคาตะต้นคาเฉิดแสงบังเกิดกาทะแปนว่าจาไข่เก่าฮื้อรูข่าวอัน ว่าพัิดูรานังมันสีสสะอาดอันว่าสองเจ้าราชจุ ม, มันปีก็ได้หือตานกว่าแล้วเือแป่นขาเกี้ยวปั่มเรืนพมแต่ยานางเบาอยู่พามเท่าผู้จ้าดินไมาอยู่ในวันวาแล้วเล ยามนั้นนางราชามาตรีอาข้าว n ตันตอบเต้าวถวายสันวาคาเนผ้าผู้บนันเฮติไว้ ย, ยามเมื่อขาร้องรำให้รันหะยังสองบัวตาลูกแก้วขึ้นรุ่งแล้วแล้ยงนางพระรา เจ้าตาหนูเจ้าเก่จิพำปล่อยเบามีกำงานบอกคาอัญวายนามมาถามนี่จังเมื่อนั้นพระมหัศเจ้าต้อนสังสวดก็กลาวเป็นอุว า, าทกะา วอาติเยนวะตตมิตุขังนาคาตุมีทิสังตาริโตยะจกุถุพระโมคคัลมาคัตุดังนี้ดูรามันที่เฮยโนไทยปีบอแสงลาไวีดี ยามหูดีจักเก่าโยวะาร้อนผ้าเาาใจนั่งยามเมื่อนางเจียวตงมารวอดอยู่วาจะร้องให้หอดยิ้หฮยังมีพามนาลำบากรไรอยากแยนใจ เบามีอันใดสักสิ่งตูกแต่หญิงปานตายมันของควายลิ้นปากเท่าลำบากรุยแรงมันเดินสเสวงปตาไม่เพราะอาตุไรเบากูตายสิ่งซาไปทั้งออกเขาควาเศร้าลุงเสบ้านมันมา รอราลสารราปีน้องมาขอแเกี้ยวลำต้องตั้งสองปีซําปองเอาพยาซาปันยุดุงวีเศษคือเป็นเหตุนำมาลุงรังราบเบาไว้พอดไปให้เป็นตา้านแกพระมานาจานผู้หนึ่ง เอปือนคาแก้วปั่มเรินมันภาพจั้งปันน่นหนีจากเอาสองเจ้าผาไปไกลแต่ เ, เมื่อนางใสใจไปตั้งมารอดเบาตั้นมาอุมกอดโดยจำ เบาตั้นมาปั้นกินน้ำและดำค่าห ม, ม่อมเบาตั้นมาก่อนสองเจ้านั่งเหนือจากสองบุญนาสีนอ้องก่อหมันหมอมมองไปนางจุงตนาไหลขาดไหมอย่าได้ให้หนั่งแจนอีดี ข่าวสองราเป็นราชีอยู่ดรีปากกว้างอยู่เศรษฐงผู้ที่สองตันตุงสามด้านตุงคำเจ้าเบาโศกสาวกังวลกันว่าตอนบ่อตายมือหนาก็เล่นสิ่งว่าจังในอันนาลูกกำพาจังสองเบายาจาเล มาตีดูรานางมันทีอันว่าซาปุริซาตอนดีมีพยานยาจอกมาสู่ในตีอยู่ถามขอก็ปึงย่องยอ่อโดยง่ายจ้องใยฮือแป่นตา้านตั้งเขาสานแล้เขาเปิกแตงแล้วเลิกสตุ้งอัน ตั้งวันคำจังมาตั้งหมู่ฆ่ายิงใจกุลของควายตอกแส่งแร่นแล้วแบ่งแปนตันนางจุงมีใจบ้านึ้นถูกดวนกูปีได้ฮือลูกเตาแปนตันโดยผาการดังกล่าวมานี้เตอ มัติพิโคสุวนวานาราจามัติศีตราอาจดันยังอวาทกามดีแห่งพระราสิตันทานเทอันภาษาสตรอลูกเต่าแผ่ตันเปื่อแลลกเอาผายาปัญนอยู่ตันยานเลิดแล้วนางนอกแก้วจังอนุมูตานา ยังฝารามียันอันยิงนางเต้าชิงเก่ากาทาว่าอนุโมทามิเตวาบุตาเกตานามุตมะมังตาตาจินสังปัสจีพินยุตาหนังตาทูภาวาดังนี้ เีว่าขาวไวมหาราชเาจา้าข้าก็น้อมหนอบเก อ, อาอนุโมทนายังปาลามนยานอันยิ่งสิ่งเต้ามิงจมหูเ จ, จ้าจนผูพแล้วยังลูกแก้วแผ่นตัน ด้วยใจบ้านจิตเจือลืมกวางเพื่อใจบ้านเต้าตานไปแล้วคูนซํำฮือตานเหล่ายิ่งกว่าเกาไหลตัางได้เตอิองโยยาจะาตังมัชิราภูติสู้่าไวมหาราชจาเป็นเจ้าตนทาเสดลำขันเกิดเนอดิน มีอาจินอันคดลียอมหุมมียังของเบาปัป่มแปงฟองอื้อแผบมันนี่ผราจอนแปดดีลีลจิงจังอือสองสีลูกเต่าแก่พามเท่าแปดน้านเจ้าจงมีใจบ้านต้องจึนเริมใส จ, จึนยินดีได้เธอ เบิงบันพาราสีตอนจอบเก่าแก่ตอบนางเชาวาดูรามันชี่เฮยผู้เท่านางปล่อยเก่าฉันได้ที่ว่าเราเบามีใจเสื่อกว่างอาชาจันก้เบาลางจังนี้ คือว่าปัทวิไว้วันสนั่นกองไปมาก็มีแลยามนั้นนาราชามาที่ไข่บอกโหลดก่าวออกหลายอันอย่างอัาซาจันอันเล่าว่าคาเดพาเจ้าพาเวสันโดน เมื่อข้าเข้าดองดอนสเสวงกว่าไปสู่ป่าเมื่ อ, อยังวันยามพองหาหูมันแลลูกไม้อสาจันเกิดไว้หลายสาการ คือว่าแผ่นดินด้านไวหวัน่นเสียงกองปั่นถึงพมสายผ้าจำยาวเมีเสียร่องเหยียบโดยคังตีว่าดาวางใหญ่ใหญ่เตะอากาศถึงทองตีว่าดามีทรงหมูย่ย่าเยี่มอยู่วิมานคำ เขาก็มากระตั้มาธุการจุหัวตุ้งหมู่กองจำบานหมูหนึ่งชื่อสีสัำตันน่ารอดใส่เสงจอดอนุหมูตานาหมูหนึ่งชื่อกูตาป้ป้าตาจีวดาวิเศษน้อมผาเนตนาแหล่งดู ปาถูผาสาดร้องเอินอาจจำบานซึ่งผ้าอ้อคานเดิดแล้วอันเต้าผ้าษาดหืหลูกแก้วแผ่นตันเปื่อแลกเอาผียาปันอยู่ตันยานดูงผ้าเสิดได้บังเกิดเป็นคู่แนนาน อินสุจานว่าพยาอินตันเลอร์ลำกอมขาดตำเจยจมัมสังพยาพอมตันจักสวัสดังชาสุมาราเลพยามัน มีใจบ้านลำเดิดพยาย่อมเกิดยินดีพยาเวสุวันนี้ใจสึ้นยอมมือยืนสาทุกันซึ่งอุตตมาตานั้นถ้าเสิดเกื่อนหื้อลูกแก้วเกิดแตนตนัน เป็นกานันกาตํอยากอันพยาเวสันตราเจ้าหากสรารตานวันนั้นแลตามะถังปากาสินตุสะถาสะถาสะปัญอยู่ตอนเป็นคู่ใรโลกผาจังไขยอยาพกปาลีปังเมื่องมัง ที่ตอนน้องอาจอันเป็นเต้ามาตาราดบุญเลิงนิเสมึงมาอยู่ในแก้วโกุาลาจังกะตามะานูมูตนาจุนจอยซึ่งอันเหือลูกน้อยแผนตัน ภาจังไขสกาพิมานแจงจิเเตเกติเวทและบูทุจน์พาตาสาปนสนวิเศษเพรู้เหตุปารีก็เก่าเป็นจุนิยากาทาวา อิติมติวราลุหาราจาบุติยสาสานิเวสันตาราซานุโมติบุตะเกตานามุตมังดังนี้พิงคาเวดูราพิงคูตังหลายตอนตรังสินสายบุริยาดอันเป็นชินาสาวาตาตอาราหันต์ัง ราตามุติอันวานาราตามัติตอนเป็นลูกสาวสีพยามาตารามียาสะอาดหรือสางชุ่มโสภาทำคอจิ้วกอมบาดติ้งคำลำอคอกอมเป็นปองแม่นเบายองก็ห่างงามหรือสาว นาตาเป้าสระอาจใจใจขาดสิงใจลางพ่องลืมเลี้ยงงายหายอยากเขาพ่อวนันรุมเจ้าจำบานนางก็อนุโมตินาตานผ่านเขาโดยอันาาทาศาสตร์ฮือหนกตเต่าแป่นตนัน สมปานมีกึนเก้าตราต่อเต้าถึงพรมก็มีโดยนิยมดังเก่ามานี่แลมาติปาปังนี่ที่ตั้งขียาสังวันณานาวิเศษตาหงเหตุมาติ อันมีกันเรื่องเบาเศร้าอันาพาภูราเจ้าหากศีสนามามีกาถาว่าได้เก่าสิบตั้นก็ทารัาชบูร่ามนการะคุณมาหลอดเจ้าซอยสอดต่อไป จะ้าตั้งหลยฟังทีหือได้ไว้ใจกี่ฟังไปจะท้าตั้งไปในเล่ไปหนอกหือได้ย่องสองโอกดาฟังเราตู้ลูกลุงขีไกลามาหือพปอฟังย้อยนาเอาใจว่ามาทีสานา จากจิงไม่ปุ่นดูนามารดของสิบามนี่ต่ดแถวามาหันกระทานำมากตุ้งผูหากมาตานันตางก็มีใจบ้านบ่อเ่าตานฟางนี่เข้ามาตานันเบาเสาคันเบาเ้ารา่างแถวเท้ามาบุน จนกันมาสร้างแต่ต่างที่แทลเป็นกุ้นไ้เป็นบุญไปนาขึ้นสู่ฟ้ามานิรปานสิ่งเล็กสถาตั้งหลายเฮ้ยตุ้งคู่มานั่งอยู่ฟังธรรมมือได้เปียงใจย่ำอ่อนน้อมใจจึนพร้อมด่าฟัง ตั้งชาวร้านเล่แถวเ ท, า, เทาตั้งแม่เนอหนุ่มเนาเล่ตั้งนังยันตั้งลูกหลานเด็กอ่อนตั้งเท่ามอนจานายมาฟังตู้ลานบรรยายทำข่าวมีใจจื้นยาวฟังดี แม่นว่าเราทั้งหลายได้น้สเมองกินเมืองนอนตีเก่าเคยผูกเขาแล่แป้ทสนเราได้ผาสีเต ต, ตุนแล่ต่องกว้างเราได้ผาสียังเฮิรล่บานมาไก เราได้ผาเชียงแม่ใสใจลาไว้ได้ผาเชียงปอกไข่สีมาได้ผาศชีหมูมาได้แป็ดไก่ได้ผาศชียหันตางงินเกยไตเงามอง ได้พาชียังบ้านจงเลจันวานได้พาชียังพาลายการเกยใบมาอยู่เมืองไก่เล้วเดินอยู่เมืองเปิน่อนเสานวนลลางคนก็ทำแสนดีวนใจหนาเหดการก็ว่าเลยยัง ตั้งแต่เจ้าตราตาวันเลี้ยงหำหอยก้องบ่ได้บอกมหาหาหลุงน้อยน้อยยังเฮิร์นต่อเหตุการณ์กลางเดือนดาวตุงอยากมันสามารลำบากมือไก่น้ำตาไหลอาบน้ำตุ้งต่าข้าก้องบ่มีไภัา หลางคนก็ลั่นกันเห็ดการก่สสอส่างของ่างทางปตีย ำ, หยำเหือเลวย่อยหลองห้ำของนาแดดฮ้อนหน้าโกเบาได้เศร้าแหงต่อใจแข็งต่อสู้พ่อได้อยู่มึงไกลจังเหต์ฉันใดหรือใดแถ่ว่าให้ก่อเบาเป็นสิ้ หลังคนเหตุการณ์มาตั้งลำบากได้เงินเบาหมากมีสามสี่ห้าพันตำรวจมาหันยัำใดสซ้ำเอาไทยสูขึ้นแป่นเมาบุญตุงคอนกำบาวีมาตวนก็เบยจังฟึ่งยังไทย ลางคอนก็เป็น่าสเป็นไอ้อยู่ไหนห้องเจ้าร้อนไม่เอารูกาเป็นเจี๊ยบหูมูตาก็เมามีไผอยู่เฝ้าเบาหมือนอยู่กับพ่อแม่เจ้าอย่ามัวเป็นดีวันใจหน้าปานเมื่อเฮาได้พาติมึง แต้มว่าเฮทั้งหลายนั้นหนึ่งบอมาก็ยินอยากอยู่หึ่งก็เพื่นหาแต่แต่งคอมแห่งเราผู้ขาป่าือได้ขาดป่อลุงแล่แม่ป่าเรามาเศรอยู่เมืองลวงนี้ดูหน้าก็บอเหมือนหึ่งเอาใดตุ่งเมาเอาไม่หรือใจ างานใดตุ่งอยากหลังคนก็หากวอบมาที่สิ่งเล่อุ่ยนอศรัทธาตั้งหลายเฮ้ยตุ่งคูรอย่าจาจากแล้วเราแล้ออกไขนอกพาดเสียงยันเน่เป็นเตวีบากราป้า สิ่งได้ผาดมืองมาเป็นควางเมามึงเปินไกเล้ยวเลื่อนมึงนอนวราวาเราตั้งหลายแล้วไกยันสีกน้นลองผากกูนอนหาควังเมาสิ่งได้มาเป็น ป, ป่าปากำชีตวเฮาจากนี้มาอยู่นี้ไก่ ว่าราว่าเราทอบเกินใาญ่ขาบไปที่จากเมืองตอนเมื่อยามอ่อนกรรมมาตอนไหลใดจิงได้พยันมาตาหรือสถาตั้งหลายเฮ้ยหนุ่มนาการตั้งดีนี่นาเื้ได้คัดใจเนือเจ้ายาสกเศร้ามองใจ เอาไว้เป็นผาใจกำสวยเบาได้ตอกถอยผีพันอื้อนาบุญกุณตานไปปอกหอมได้อยู่ร่มกาดเย็นแม่นว่าต้องมาไกลลำบากต่างตานก็หากอย่าฮือหายไว้วันนี้สัทธาหลาตุ้งคู่ต่างก็ได้มาหลูเตตาน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 สีู่นปฏิบัติธรรมของสิทานีดูบานราเรนตา่างกูก็ยืนย่อตานสิ่งเละศรัทธาตั้งหลายเฮยผู้ที่เป็นเจ้าภาพลางของก็หาดลางของก็ปา่า ตังของตานตั้งหลายมาโยยืนมาเก้าก้นลุงหลสัทธาหลาผู้เป็นหัวนากรรมการว่าตามมีมีตังสมที่เล้ า, าบานจาเก่าตานกอดไป ถอนไปลาในใหมายมีภาคูบาวิสุทธิสุนทรเป็นเก่าเงาตั้งลูกสิเจา้าทุกตนเป็นรีปันนำหมู่ปาสถท้าลูรูตันต หันไปนอกก็มีผู้ใจบ้านจังบอกยังสองศอกมาตานมาเป็นกรรมาการสร้างเสียงสร้างแผงแห่งอารามเป็นก็าตามตุงผู้ตานี้ก็รู้ใจบุญมาเป็นผู้จู น, นกรร่จอยตุ้งผู้ก่อยอย่อตา ไมามีปองผู้ใจบ้านเบาเศาเล้อหนุ่มเนาอย่างงามเข้าปั้นกลางเบาเท่ามาเป็นเก้าสถานใจาวรชุดนั้นน้ามีจื่อใจสื่อเตะมาตานเป็นรองประทานกัดเกาดูเหมือนเบาอย่างเรา แม่ห้างเมาไข่ใดายก็ปอดไปให้ตตานการะคันมารอดายทุงชัยหอดแถวมาเป็นรวงประธานี่ดูนาดั่งเก่าเนื้อบ่อเศ้ า, าข่าวงานายก็ย่อตานเบาไว้ตานปางนี่ก็ได้มารวม ยอมตานดังเก่าเป็นดิขานนกาเนอเบาเศร้ากุณญยังเปนใส่บ้านมาจอยตานอีก่อยมานอนใจเสียงนั้นหนาผู้ปากวอนยังขัดยังเ่ายังแผ่นเบาเราลืง เป็นรองเลขามาตึงถึงอยู่พางตานีก็ามาลูรอมตานใจประสิทธิ์ผู้ใจบ้านกว้างใหญ่ปางตานีป่าปางตานีก็ได้มาตานเป็นรองเฮรันยิงกาคาันเบาแล้วปางตานีก็บอกกาแก้วไปไหน มาตานเป็นท่าใจกำจ่วยเบาได้ตกถอยแป็นีจใจนิวัดเบาตกขียาจ้าต า, า, ตา น, นี้ก็ว่าหันมายองสาสาตั่งเกา้ามาฟังรำพ่าเจ้ายามตาน เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ผู้ใจหวานดังอ้อยใจสองห้อยต่างบุญนางชมพูก็เป็นผู้จูนุนกำจอยจ้าอ่อนอ้อยสิ่งหวานขานกำได้สิ่งหมุนตา น, นีก็โดนติวมา เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ดั่งเก่าใจบ่เศร้าขาวงามใจอาภิวันผู้งามใจไายเป็นฝ่ายประชาะสัมพันธดั่งเก่าตามนี้เขามารวมใจว่ารันชัยผู้สม ง, งามล่ำเจียนใจจอบแม่นกองทรม เป็นฝ่ายสังคมผู้ใจบอดำสักเตอตามนี่เผอใจมาใจนอกคำผู้มีใจใสสัทธาบอบขาดหอบเอาศาสตรมานอนเป็นฝ่ายวัฒนาทมอันปาวนกุลเก่าตามนี่เท้าปืนดอง มหาใสผู้ใจสองไคร่รูส้ำเป็นผูตรั้งสินกินต้านเป็นเก้าเงาเป็นเจาาา้าฝ่ายการศึกษาหลุมเหล่าใจใส่การศึกษาาือสมไข่มานุรัม ผ้าสวาทีสุยก็เป็นสันอุดมผ้าเสิดตานี้ก็เกิดยินดีนำสรัทธาสัมชีติดตอดไว้เป็นยอดนาบุญถ้านั้นมามีศรัทธาพูจูนุนหลายผู้ตูลูกก็เบาจางาังเก้าหูฟัง ยังเหลือแทงน้ำก็มากกรรมาการต่างๆ่างก็หากันนี้ศรัทธาดีตึงสอกถึงบ้านออกแล่นในวิงมาเป็นงทิ้งขายเขามีตึงจิ้นและเราปูยามมีตึงเข้าพื้นนาแคบใหญ่ตั้งใจลองทิกเจมิโอ เขาซอยก็หันขายตีติ้นเคี้ยวๆปุ้นอยู่แม่ก้าอยู่หันหลายตั้งยิงายสาวแถวแม่เฮือนแถวสาวเล่าเบาวหันเมาไข่ได้ต่างคู่ก็มาปอดไปให้ตีตานสิ้นเลย สถาตั้งหลายเฮ้ยตุ้งผู้หื้ได้รู้กองดีอันว่าการต้านนี่นาตุ้งหนุ่มเท่ายิ่งใจคนดีเป่งใจไผ่ผองใส่ใจหลองกองดี มีตาหนะ้าคอือตาเขานำเป็นตาตั้งอาหารแลสั่งเขาแก่ควันเท่าแล่ควันอนาถาแก่ปวนหาตีปึงบ่อใดจุงหือปารีจากให้ตาไป หรือว่าหือตานแก่สมาณสิ้นใสก็ได้เสี่ยงได้ที่ว่าต่างบุญเสี่ยงเละถ้าการหนึ่งคือศีลอา่าบิดเบ่งยาเลี้งใจไปหา <c oughs> อยาคาซาดูกาและเหือลำบากย่าได้จอกลาคุมจริงของ อย่าได้ปลงใจบาปเล่นจูจากภูมิตออย่าเป็นคนปากหลายจู้เล่าง่ายเบาจื้เปงอย่าจะแข็งตาเหาหืดอย่าได้หลืดเข้าไปหากินสุราัำเราอย่าลืม ฟองหลอดโดยโลหิตาเลือดสัดสีส่จำหกคือหนึ่งเลือดนอกกินแลี้ยวเบาหมอไว้ปากจ้าลายก้อนสี่อูสิงมีพัมรินทุนสองเลือดงูกินแล้ ว, ว, ล ว, เ, ลดลวเดินเบาจำตัง ไปต่า ง, วางคว้างก้อนกุย้กยจ่างตอกหอยตอกรูพ่ออย่างเหมือนงูหลืดหลาดเมาแล้วก็ประหลาดไงหลังโดนสามมาปองหลอด้วยเลิดมาเมาแล้วก็หาคอบเปิ่นบานสาปากตาหยังย่งๆั่ง ทวนสีมาปองรอโดยเลิดดิ้งเมาแล้วเบาอยู่บ้านแอวจ้องบ้านทํเจอยู่เอเซเบาจอเมาแล้วก็ฮกออกบ้านเหมือนลิงแหลนจะท้าตั้งหลายเลยอย่าผ่านเขาพีดฝึงเบากองทา แทงอย่างหนึ่งคือการภาวนาอยากขาดเป็นการนือทิตใจเบาผ้ามาดมีสติการภ้าวนานี้ดูนาอยู่ตั้นใดก็ยัดใดคือการมีสติไว้กับตน ศรัทธาตั้งหลายเฮ้ยเราตูลูกก็หากสิติสนามายาวสิงบ่เหี่าวเผาเาเจี๊ยบนานึ่ก็หนึ่งก็เบาหันนี้ศรัทธาใดฟังดียาจ้าเอาสนใจไปไปนาการญาจ้า จอบแหนอีในของตถทากตาเจ้าจึงเข้าไปหาต่อเนื่องเราตู้ลูกหาเสนามายาวร่างสาวงามเที่ยว เ, เท่าก็อกข้างเมื่อยเข้าแล้เจ็บขาตีสุดท้ายนี้นาเราตู้ลูกจ้า ปั่นป่วนแมนบบาทสถานอนราบก็เฮือได้เงินหมื่นกันตื่นก็เฮือได้เงินแสนแปดมือก็เฮือได้เงินด้านขี้คานก็เฮือได้แป้นดีเฮือสถามีติปึงวันที่หนึ่งหวยออกก็เฮือเหมือนทอง วันที่สิมหอกหุยออกก็หือเหมือนใจอย่ามีภัยมามาปาดตองในแห่งห้องสันดานสิ่งเราตุลานอีนาสิ่งจา้าลดสิ่งจาลาดข้อเผล อ, อไม่เอาผ้า ก, กาดตํมหอนเดือน สิยงเราเบาเชิญฟังเหมือนสิยงเมียงว่างสิยงเราก็เ่ากว้างเหมือนดังมาหาคมสิยงเราก็เ่าคมเหมือนดังนอกการาตินตู้น้อยๆจังใส่ซอยก็เยาว่าจังนั้น จังใส่สารไปก็โูมันลาตูลูกก็ขออำลาป่อลงเล่แม่ปาลาลา่องก็สาเรเจ้าบูรามน์กาลาปุลเต่านี้ก่อนเล่